พี่หลวงตาคุยกับพี่กว่าค่ะว่าสติก็ยังเป็นสังขารแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นสังขารไม่ใช่ไอตัวไอตัวสติที่เป็นสังขารที่มาใช้เป็นเรื่องข้าวปาคนเราสติกับเขาเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยว้าใจผิดคนตัวกันคือเราก็ใจว่าถ้าเล่งสติมันขึ้นอีกอมันก็จะได้คันในสังขารทั้งหมด แต่รากว่าสติตัวนั้นน่ะมันมันเป็นสติปรุงแต่งมันไม่ใช่สติที่เป็นขันห้าที่เอามาใช้รู้ต่อทันสังขารลาะสังขารจนหมดแต่มันกลายเป็นตัวมันน่ะเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เป็นตัวสติในขันห้าแต่เป็นตัวความอยากสติที่เป็นความอยากมันเอาเลยเอาสติมันเร่งก่อนขันห้ายังไม่เกิดแต่สติตัวมันเองอะเป็นเป็นตัวปรุงแต่งซะก่อนแล้วแต่ไอ้ตัวสติที่แท้จริงคือถ้ามีสติปัญญาที่แท้จริงมันจะมันรู้ต่อทานในตัวที่เองเร่งสติขึ้นมาแล้วเองจะไปดูอะไรอ่ะ สังขารทั้งหลายนยังไม่เกิดเลยแต่เราจะเร่งสติขึ้นมาตอนให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อใหมันรู้ทุกทุกคิดทุกอารมณ์แต่สังขารอย่างอื่นไม่เกิดเลยแต่เร่งสติให้มันรู้ไว้ก่อนแล้วไอ้สติดวงนั้นอ่ะมันยังไม่ใช่สติมันเป็นตัวปรุงแต่งตัวหลงแต่ไอ้ตัวสติจริงๆอ่ะมันรู้คือไอ้ตัวที่มันรู้เตาทันอ่ะจะเร่งไปไหนเนี่ยไอ้ตัวที่เองอ่ะสังขารทั้งหลายยังไม่เกิดเลยแต่เองสติเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยเองเนจะไปรู้อะไรก็ได้เองเนี่ยแต่เป็นตัวที่ต้องร ที่เป็นตัวเร่งเนี่ยทิ้งลงไปไอ้ตัวรู้เต่ทาทันตัวหลังเนี่ยที่เป็นสติในขันหน้าที่เรายืมมาใช้เป็นเรือทางฝากที่ว่ามันจะต้องรู้เต่ทาทันตัวหลงทุกตัวค่ะเพราะฉะนั้นสติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดหลังอาการที่เราหลงเกิดเกิดกรณีแรกเนี่ยคือหลงแล้วรู้เต่ทาทันเนี่ยคือก็คือสติส ต, ต่อมาพอเราไม่หลงแล้วเนี่ยมันก็เห็นสังขารในขันห้าที่ไม่เป็นตัวหล ง, หลงพอสังขารเกิดขึ้น แล้วมันก็เห็นว่าเป็นสังขารทั้งหมดไอ้ตัวสติมันก็รู้นี่เป็นสังขารทั้งหมดมันก็รู้เป็นสังขารทั้งหมดแล้วไม่มีใครเข้าไปยึดสในในสังขารท้องขันห้าก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าเราจะเร่งสติเพื่อให้ทันความคิดทุกความคิดเป็นสังขารทั้งหมดไอ้สติตัวนั้นมันไม่เป็นสติในขันห้าที่มันรู้ต่อสังขารเพื่อละไปตัวมันในกายมันเป็นสังขารปรุงแต่งกลายเป็นตัวหลงมันเลยมันเลยข้ามไปอีกไม่เช่าวะมันจะมาแค่หายหลงแล้วมาเป็นขันห้าแล้วก็มารู้สังขารไม่ขันห สังขานใ น, นการห้าครับก็เป็นนิพานไปแต่อันนี้ยพอเราเล่งสติปุ๊บเราเลยไปถึงเกอนขานเป็นหลงโน่นเลยหลงแล้วมันไม่เป็นขันห้าธรรมดาเป็นหลงเลยหลงจะเล่งสติเพื่อให้มันเนี่ยบรรลุนิพานเร็วๆให้บรรลุทันทั้งหมดเลยกลายเป็นหลงไอ้สติตัวเนี้ยเป็นสติแค่ขันรู้เท่าทันความหลงแล้วก็กลับมาให้มีสติคืนมาแต่แม้แต่พอหายหลงแล้วมีสติคืนมามันก็ยังเหลืออาการของขันห้าที่มันทำงานทุกยิบทุกยิบอยู่ในใจ แล้วก็เป็นอาการที่ไม่ได้เป็นความหลงอะไรเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามันมีอาการขนาดเรามีสติรู้ตัวอยู่มันก็ยุกยิุกยๆบติ๊ดติติ๊ดในใจรู้อะไรเห็นอะไรมันก็พูดอยู่นั่นในใจเรายุกยิกๆิไม่ว่าจะรู้อะไรมันก็ภาคภาคภาคอยู่นั่นแหละอันนี้ไม่ได้เป็นความหลงเพราะมันมีสติรู้ตัวอยู่ว่ามันภาคมันคิดมันตึกมันตองในใจแล้วไอ้สติตัวเนี้ยมันก็สักแต่วรู้ไอ้ตัวยุกยิุกยิในใจที่เป็นอาการของขันห้าแต่พอมันสักแต่รู้มันก็เลยเป็นนิพพานเพรรระะะะะะธ้ตตัยยววู่ เนี่ยเธอสัตกตะวันรู้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือสักตะวัรู้ขันห้าที่มันได้เป็นตัวหลงแล้วเนี่ยมันก็จ ะ, จะวรรลุนิพานเธอจะบรรลุนิพานจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้และโลกหน้าต่อไปเธอจะสิ้นกิเลสแล้วบรรลุพรนิพพานสิ้นทุกข์บรรลุนิพพานได้ค่ะทีนี้สติผ่านไปแล้วทีนี้สมาธิสมาธิที่หลวงตาบอกอนั่งสมาธิกันบ้างหรือเปล่าสมมุตินะคะ อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจไปพุโทโธพุโทโธอันเนี้ยคือสังขารแหละใช่ไหมคะ่ะสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิในขั้นของสมถะกับสมาธิในขั้นของวิปัสสนาสติมันก็มีสติคนละขั้นสติในขั้นที่หลงแล้วรู้สึกตัวหลงแล้วรู้สึกตัวหลงแล้วรู้ตัวในขั้นที่หลงไม่มีกิเลส ปัญหาต่อติ่งตางเราก็รู้เต่าทานหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมานี่ก็เป็นสติสติในขั้นรู้เท่าทานความหลงเนี่ยเป็นสติในขั้นรู้ทานความหลงสติในขั้นที่สูงสุดขึ้นมาก็คือไม่หลงแล้วแต่ขันห้ามยังทงทํางานตามปกติแลแ้วลากา็สับสัรู้อาการของขันห้าแล้วรู้อาการของขันห้ารู้จนหมดทุกตัวจนถึงวิญญาณขันที่รู้แล้วก็ผู้รู้วิธีมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้แล้วก็ปรุงแต่งยุกิ๊กในใจได้ ปล่อยวางจนหมดของขนันห้าจนถึงขนันห้าและปล่อยวางถึงวิญญาณขันสัต ว, วารู้ก็สิ้นอุปทานขนาันห้าแล้วรู้วิพญานไปสมที่พุทธเจ้าสัตกับพยาว่าถ้าเธสัตว์แต่ว่ารู้เนี่ยรู้ทั้งตารู้ทั้งหูรู้ทั้งใจเนี่ยรู้ขันห้านี่แหละรู้อาการของใจเนี่ยแหละเธอจะรู้นนวิพญานพยาฟังจบความรู้นิพญานเลยลก็คือสัตวารู้มันมีสติเป็นสติสองขั้นสติขั้นที่หลงแล้วรู้ตัวมากับสติขั้นที่ไม่หลงแล้วก็สัตวรู้ขันห้า อะมันก็พ้ทุกไปสติก็มีสองขั้นสมาธิก็มีสองขั้นสมาธิในขั้นของสมถะต้องปรุงแต่งขึ้นมาทีเราบอกว่าเอ้าสมาธินี้มันทาไมปรุงแต่งอาจารย์ใบรู้ตำตนปรุงแต่งก็ต้องปรุงแต่งขึ้นมาสะก่อนมันเป็นสมาธิสักก่อนที่มันบริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่คือเป็นสมาธิในขั้นปรุงแต่งขึ้นมาให้มันเป็นสมาธิเป็นสมาธิในขั้นของสมถะ เมื่อใจมันมีความสงบไม่หลงไปกับกิเลสตัณหาอมันก็เลยใจมันก็เลยมีความสงบระดับหนึ่งคือไม่หลงไปกับกิเลสตัณหาภายนอกตัวเราคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่หลงไปไปรักไปชังเขาทางภายนอกตัวเราอะผมไม่หลงไปภายนอกตัวเราแล้วเนี่ยอะสมาธิมันก็ได้แค่นั้นเนี่ยสมาธิอตุตตโมธะเพราะอะไร มันไม่หลงไปกับภายนอกตัวเราแล้วไม่หลงไปกับรูปวัฏจินเสียประปัดแต่มันหลงอยู่ในอารมณ์ภายในหลงอยู่ในธรรมอารมณ์คือมันเกิดพอเราไม่หลงไปแล้วใจเราก็เลยเป็นปีติเป็นปีติเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ปีติเป็นอารมณ์สุขเป็นอารมณ์อุเบกขาแล้วเราก็หลงอยู่ในอารมณ์ของเราภายในใจเราไม่หลงไปภายนอกตัวเราก็หลงอยู่ในลมภายในใจของเราอ่ามันยังเปความหลงอยู่แต่เป็นความหลงละเอียดเป็นหลงธรรมอารมณ์ แต่หลงภายนอกมันไม่หลงแล้วแต่ก็ยังดีมันยังหลงแค่ภายในใจห ล, ล, ลงภายในใจพอหลงมันก็หลงภายในใจตอนนี้เมื่อหลงภายในใจแล้วมันก็เข้าไปจะถึงใจที่มันสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบเข้าไปแล้วที่สุดแล้วก็เนี่ยพอสงบยังไงก็ตามถึงระดับไหนก็ตามมันก็จะต้องถอนออกมาเพื่อมาเป็นปกติแล้วมันก็เริ่มคิดปรุงแตง่งไอ้ตัวที่มันไม่ยังไม่หลงเนี่ยไม่หลงนมีกิเลสได้ภายนอก มาเริ่มถอยออกมาจากความสงบภายในใจในสมาธิในขั้นอารมณ์สมถะมันก็เลยเห็นความคิดปรุงแต่งภายในใจได้เพราะตอนนั้นมันยังไม่มันยังไม่ทันจะลืมตาออกมาหรือว่าเพิ่งลืมออกมาใหม่ๆลืมตาออกมาใหม่ๆมาเลยเห็นความคิดจิกยๆปรุงแต่งภ yes. <arbit les> ายในใจหรือตอนนั้นขนั้นนะนั้นมันถอนแล응้วแต่เรยังไม่ลืมตาเหมือนเจ้าเจ้าเดือนวันเนี้ยที่มันถอนออกจากอารมณ์สมาธิในขั้นที่ละเอียดแล้วพอมาอยู่ในขั้นที่มันยังไม่ลืมตาแต่รู้สึกตัวแล้วแต่ยังไม่อยากออกมาเพราะว่าเพื่อจะไปไล่ดับ อาการของใจพอสมาธิมันถอนแล้วเริ่มเนียมันเริ่มมีอาการของใจยิ่งยิ่งวิ่งวิ่แล้วแต่เข the ้าใจผิดเพราะตอนนั้นยังไม่ลืมตาแต่ไปไล่ด um ับกลับไปไล่ดับไล่ดับอาการของใจเพื่อให้กลับไปสู่สมาธิดังเดิมนี่เข้าใจผิดคือสมาธิมันไปยังไงไปสุดของสมาธิมันก็ได้แก่สุดที่สุดของสมาธิคือใจสงบแล้วมันจะต้องถอนกลับมาเป็นปกติแต่ตอนออกมาแล้วเนี่ยเราเราไม่ลืมตาเขาไม่ลืมตาเขาไม่ไม่ไม่เป็นต้องลืมตาหรือหลับตาไม่เกี่ยวกันแต่มันผิดเข้าใจผิดคือ เรายังหลับตาอยู่น่นมันถอนออกมาแล้วเพราะว่าสมาธิภายในมันถอนแล้วมันจะต้องถอนนะเไม่ว่าจะลึกขนาดไหนหรียใขนาดไหนก็ต้องถอนมาเป็นปกติพอเป็นปกติก็เริ่มคิดจุกจิกจุกจิกจุกจิกเริ่มมีอาการอย่างนั้นมีอาการนี้เหมือนันเหมือนมอาการคันที่กาที่ร่างกายเราละอดไม่ได้ที่จะไปเกามันอดทนไม่พอเพราะอะไรเราไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารบุงแต่งไม่เห็นว่าอาการนั้นเป็นสังขารบุกแต่งพอเห็นว่าอาการนั้นเป็นสังขารบุกแต่งอ๋อ แต่ใจมันไม่ปรุงแต่งก็อยู่ในฐานที่มั่นให้มันมั่นคงก็สักตะวารุอาการของใจนั้นจากอารมณ์สมาธิที่เป็นสมถะเลยกลายเป็นวิปัสนาพัฒนาต่อยอดตรงนั้นไปเลยเป็นสักตะวารุจิตแล้วก็เห็นจิตแจ่มแจ่มแจ้งๆๆก็เป็นนิโรธเป็นเป็นพระนิพพานไปหลุดพ้นไปอเนี่ยนี่ก็เขาก็ใช้สมถะต่อไปเลยนี่สมาธิเองมันมีสองขั้นสมาธิของสมถะที่ปรุงแต่งมาจนใจสงบพอสงบเสร็จแล้วเนี่ย ตอนหลังเนี่ยมันาเกือบมาเป็นมันมันถอยขึ้นมาเป็นปกติมาเริ่มปรุงแต่งตอนนี้ยแล้วเราไม่ติดไปกับใจที่ปรุงแต่งเห็นมันยุกยิกยุกยยุกยิกไงแต่ใจก็ไม่ติดไปกับปรุงแต่งก็เป็นใจที่ที่ไม่ปรุงแต่งแต่รู้ว่าภายในจิตใจของเรามันปรุงแต่งไม่เลิกแต่เราัไม่ได้เข้าใจผิดไปดับอาการของใจที่ปรุงแต่งให้มันหายไปเพื่อกลับไปสู่สมาธิในขั้นสมถะดังเดิมเขาก็ใจผิด ความจริงเนี่ยมันสมาธิในขั้นคำภาษามันมันจบแล้วแต่ขนาดเพระฉะนั้นมันถึงถอนออกมากําลังของมันแต่ละขั้นก็ไม่ไม่เท่ากันถอนออกมาแล้วตอนเนี้ยก็มาสายวิปัสสนาต่ออาศัยอะไรก็าอาศัยสตินี่แหละตัวสติอ่ะตัวสติเดี่ยวตัวสติในขั้นแรกมันเป็นตัวสติหลงอ่ะหลงรู้สึกตัวหลงรู้สึกตัวมาสติในขั้นที่สองคือสติที่ใช้ตอนไม่หลงไม่หลงเพื่ออะไรเพื่อเห็นอาการของใจทั้งหมดให้เป็นสติที่ขั้นไม่หลงไอ้สมาธิ ก็เลยมาใช้สมาธิในขั้นที่สองคือรวมกับสติในขั้นที่สองคือเม well ื่อไม่หลงแล้วก็ใช้สมาธ hmm? ิในขั้นที่สองคือใจมันเป็นสมาธิมาจากขั้นสมถะในขั้นที่หนึ่งแล้วแล้วมาถอดออกมาจนจิตมันเป็นปกติมันเริ่มมีอาการของใจจุ๊กๆุ๊กจสมาธิขั้นที่สองนี่ก็มาใช้รวมกับสติขั้นที่สองคือไม่หลงแล้วก็เอาสติมีสติไว้ไม่ให้ม <ian> ันหลงแล้วใจมันก็ได้คอนจมันไม่หลงแล้วใจมันก็เลยสงบพอใจมันสงบมันเลยเห็นอาการของใจที่มันปรุงแต่ง เลยในความสงบมีความปรุงแต่งในความปรุงแต่งมีใจที่สงบอยู่มาเลยไปเห็นใจที่สงบในท่ามกลางความปรุงแต่งได้ไอตัวสติเนี่ยเป็นตัวสังเกตมันเลยเห็นไว้ได้แต่ใจมันสงบมาเลยเห็นความปรุงแต่งในความสงบเห็นนี่ยความสงบมันมีความปรุงแต่งแม้แต่มีความปรุงแต่งยังไงมีใจที่สงบอยู่ไอใจที่สงบอันนี้ยมันเป็นสมาธิแต่สมาธิอันนี้ยมันเป็นสมาธิที่เป็นใจของมันเลยไม่ใช่เป็นสมาธิที่เกิดจากการปรุงแต่ง ในขั้นของสมถะเป็นเป็นสมาธิที่เป็นใจของมันเลยคือใจที่สงบในธรรมการความวุ่นวายแล้วก็ปัญญาอืปัญญามันก็มีสองเหมือนกัน่ะอืมก็ปัญญาอหลรปัญญาก็คือมาหลงแล้วก็สามารถเห็นแล้วรู้ตัวทันว่าหลงแล้วแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอ่านได้หมดทุกหน้าว่าเนี่ยมันหน้านี้ก็หลงหน้านี้ก็หลงหน้านี้ก็หลงหน้านี่ก็หลงปัญญาันอ่าในทุกหน้าว่าหลงหลงหลงปัญญาในขั้นอ่านหลง แล้วปัญญาในขั้นที่สองก็คือไม่หลงแล้วตอนไม่หลงแล้วมันอตอนนี้ใจมาสงบร่มเย็นไม่หลงแล้วไม่หลงไม่กลับอะไรแต่อาการของใจยังมีอยู่ปัญญาก็เห็นว่าเนี่ยอาการของใจเหล่านี้ล้วนแตเป็นขันห้าทั้งหมดเป็นสังขารขันเป็นสิ่งปรุงแต่งมีใจเท่านั้นเนี่ยที่ไม่ปรุงแต่งปัญญาก็รู้แจ้งเข้าไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีสติสมาธิปัญญามันก็เลยมีสองระดับที่มาใช้ถ้าเราไม่เข้าใจก็ปฏิบัติมั่วมัว มัวม่วๆไปหมดนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรพอออกจากสมถะา ม, มาแล้วเอ้าวใจมั์เคยสงบดีมันเริ่มจะปรุงแต่งเราก็ไปไล่กดไล่บี้อาการของใจให้มันหายไปจะกลับไปสู่ความสงบอีกเอ้อ น, นี้มันผีมั่วตัวไงนี่มันจดเป็นเป็นส ม, สมถะมาหมดกําลังของมันแล้วมันต้องถอนเหมือนเราเนี่ยไปใส่เครื่องประดาน้ําอ่ะใส่ถังใส่ถัง ดำน้ำเอย่างพุดาชอบชอบไปใส่ถังดําน้ำใช่ไหมตัวนี้ไปดําน้ําเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ลึกไอตอนที่สมาธิในขั้นสมถะเนี่ยไม่ว่าจะดําน้ําเราเพิ่มถังแก๊สที่มันมีมีมีออกซิเจนมากขนาดไหนเราก็ดําได้ลึกขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ไม่รูเรเร้เราคิดเอาเองนะถ้าถังแก๊สเนี่ยหรือเราความสามารถของเราเนี่ยเราก็มีถังถังแก๊สออกซิเจนที่มันมีกําลังมากพอเนี่ยเราก็จะดําลงไปได้ลึกๆด้วยความสามารถเราดําลงไปได้ลึกๆเรื่อย ๆ, ๆ แต่ถึงจะลึกขนาดไหนก็ตามคือจะมาที่ระดับปีติระดับสุขระดับอุเบกขาหลึกขนาดไหนก็ตามที่ตุลต้องถอนหมดเหมือนผู้ติดน้ําอยู่ใต้น้ําไม่มีใครสามารถใช้ชีวิตยอยู่ใต้น้ําต้องถอนขึ้นมาเพราะหมดอะไรหมดแก๊สออกซิเจนก็ต้องถอนขึ้นมาดูอากาศแล้วก็นีนน่คือความเป็นป ก, ปกติแต่ตอนถอนลงกมาใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มมีจิตปรุงแต่งทีนี้มีจิตปรุงแต่งแล้วเนี่ยตอนนั้นมันไม่ได้มีกิเลสอะไรอ่ แต่ปัญญาก็มาแล้วเนี่ยปัญญาขั้นที่สองสติสมาธิปัญญาในขั้นที่สมาแล้วพอใจมีสงบในขั้นที่สองแล้วสติก็เป็นขั้นที่สองแล้วเพราะว่ามันไม่ปรุงแตง่งปัญญาขั้นที่สองก็มาแล้วปัญญามันเห็นแล้วว่าไม่ปรุงแต่งเออขนาดนี้ไม่ได้มันไม่หลงไปกับอะไรแล้วแต่มันมีอาการของใจเกิดขึ้นปัญญาก็เห็นว่านี่อาการเหล่าเนี้ยมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเออแต่ผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยเห็นอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นดับไปไอ้ผู้รู้ผู้เห็นที่เป็นใจเนี่ยที่มันประกอบไปด้วยสมาธิิสสตตมมมาในนนขัั้้ที่่่ไปรุงงแว แต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันปรุงแต่งหมดแต่ใจไม่ปรุงแต่งไอสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นเกิดดับหมดแต่ใจไม่ปรุงแต่งใจเลยไม่เกิดดับไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ใช่ไปเข้าใจผิดไปไล่ดับพอมันเริ่มออกขึ้นเหมือนกับลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ําแล้วแล้วไปไล่ดับอาการของใจให้มันดับไปหมดจะกลับกลับไปถุดก้นในน้ําอีกจะสับจะดับอาการของใจแล้วดับลงไปก้นทะเลลึกอีกมันจะดับลงไปได้ยังไงตอนนั้นเน่ะ อ้เจียมันดำไปได้ตอนแรกมันมีถังถังแก๊สออกซิเจนมันเลยสามารถดำได้ตอนนี้ถังแก๊สออกเจนมันหมดแก๊สแล้วมันจะมันลอยตัวมาแล้วแต่ตอนเนี้ยเราไม่มีแล้วเนี่ยเราไม่ได้กระ ท, ทาสมถะกลับไปดังเดิมคือไม่ได้มีถังแก๊สกลับไปอย่างเดิมเราไม่ได้พุโตพุโต้พุโตพุโต้โแล้วก็เข้าสมาธิกลับไปดังเดิมเราไม่ได้ใช้ถังแก๊สแล้วแต่เรากลับเอาสภาวะที่เราเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยไปไล่ดับความคิดในขันห้าซะ สังเกตไหมตอนแรกเราเนี่ยที่เราเข้าไปใอารมณ์สมาธิได้ในขั้นของสมถะเราพุโทโธพุโตหือหายใจเข้าพุทหาใจออกโธนั่นคือถังแก๊สออกซิเจนมันมีอยู่แล้วก็เลยวิตกวิจารดับไปก็เลยเกิดปิติเกิดสุขเกิดอุเบกขาเราเลยดำลึกลงไปได้สีระดับแต่นี้มันพอเราลอยตัวขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ใช้พุโตไม่ได้ใช้หายใจเข้าพุทหาใจออกโธมันมันลอยมามันเริ่มมีอาการของใจกลับมาเป็นปกติเริ่ ม, มีอาการของใจ เรากลับไปไล่คิดเอาเองมันไปไล่ดับอาการของใจเพื่อให้มันอาการดับหมดแล้วมันจะได้กลับไปสู่สมาธิใหม่เฮ้ยมันคนละเรื่องกันไม่เข้าใจนะในตอาถังแก๊สมันไม่มีอ ia, อกซิเจนเลย ม, มีจะไปไปไล่ดับแล้วมันจะกลับไปสู่ก้นทะเลลึกอีกได้ยังไงมันไม่มีถังแก๊สจะมีคุณจะกลับไปได้คุณก็ต้องเอาถังแก๊สอันใหม่มาคือพุโทโธพุโทโธใหม่ทําสมาธิใหม่กลับไปได้แต่นี่คุณกลับไปทําใหม่เป็นไล่ดับอาการของใจเพื่อกลับไปสู่ความสงบในก้าวสมถะใหม่ ว่ามไม่รู้ตรงเนี้ยปฏิบัติมันเลยมั่วน่ดูเลยคนเราปฏิบัติเนี่ยดงั้นพอถึงตรงนี้ก็ต้องทําวิปัสสนาต่อเลยเพราะมันบทถังแก๊สแล้วมันอยู่ในปกติเพราะมันอยู่ในเพาะว่าปกติก็ใช้วิปัสสนาต่อเลยอาศัยที่ใจที่เคยสงบแล้วไม่เห็นว่าในความสงบเนี่ยมีความไม่สงบมันเกิดอยู่คู่กันในที่เดียวกันแม้ใจจะสงบยังไงเคยสงบมาแล้วแต่ความวุ่นวายมีอยู่เว้ยในความวุ่นวายมีอยู่ในทาารามกลางใจที่สงบเนี่ยเพิ่มๆออกจากธรรมที่ใหม่ๆใใจมันเลยสงบ แลาการใจที่วุ่นวายใจก็ยังสงบอยู่ได้ไหมเนยจุ๊กจิกจุ๊กุกจิ๊แต่ใจก็ยังสงบอยู่ได้อ๋อมาเ ล, ล่รื่รยๆเลยว่าใจไม่ปรุงแ ต, งแต่งแต่สิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดเป็นอาการของใจที่เป็นของไม่เที่ยงคือนเกินดับๆมันก็เลยกลายเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นสติสมาธิปัญญาคนละขั้นด้วยความเข้าใจเนี่ยที่เลี้ยงระบบไว้ให้อย่างเนี้ยเราเลยเขียนไว้เลี้ยงระบบไว้ให้มันมีขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองคนละขั้นกัน Thank you.